อึดใจต่อมานั่นเองดาลินผู้ใช้กล้องสองทางไกลกว่าสํารวจอยู่ก็มาหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันที่เป้าหมายหนึ่งทุกคนหันขวมามประทางหล่อนโดยเร็วเมื่อได้ยินเสียงหญิงสาวอุทานอะไรออกมาคําหนึ่งว่าไงน้อยเห็นอะไรชา ย, ยันถามเร็วปรือดาลินเบิกตาโปรจ้องผ่านกล้องปรับเปลี่ยนอยู่อึดใจหนึ่งไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียวกายสั่นน้อยๆส่งกล้องไปให้ชา ย, ยานันแล้วชี้มือไปยังตําแหน่งที่หมาย อดีตนายทหารปืนใหญ่รับกล้องมาอย่างลุกลนยกขึ้น่องควานหาเป้าหมายอยู่ครู่หนึ่งพอจับภาพได้ถนัดก็ยืนตัวเย็นมีความรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นลงชั่วขณะบริเวณที่รง่งโปร่งตาตอนหนึ่งเนื้อเนินชายขึ้นไปเล็กน้อยมีเนื้อที่กว้างประมาณสักร้อยตารางวาอยู่ในวงร้อมแน่นทึบของหมู่บ้านมองด้วยตาเปล่าในอากาศขมุ ข, ขมัวขณะ น, นี้เห็นเป็นทิวโขดหินตั้งแนว แต่จับด้วยเรยนของกล้องสนามขนาด12คูณ50มันหาใช่โขดหินสีแล้วไม่ถึงแม้จะมีสีสันใกล้เคียงกันก็ตามลักษณะของมันระไม้ท่อนสูงที่ทอดขวางอยู่อย่างที่ว่างตอนนั้นเห็นชัดเจนแม้กระทั่งเกร็ดตายสองด้านถูกกลืนหายบดบางอยู่ในความทึบของป่าที่แวดล้อมอยู่สันบนเป็นสีจัดจนเกือบดำตอนที่ต่ำลงมาใกล้เคียงกับส่วนที่ติดพื้นเป็นสีจางเกือบขาว ผู้ ก, กองเสียงดังไม่เกิดกระซิบแหววออกมาจากรำคอที่กระเดือกเต้นขึ้นลงไม่เป็นจงังหวะของชายยันตายัางติดกับเลงกล้องอยู่เช่นนั้นแล้วก็เงียบงันพูดอะไรไม่ออกไปอีกคนหนึ่งผิวป่ากออกมาเป็นเพลงเหมือนจะปลอบใจตนเองแต่ไม่มีนักเพลงคนใดในโรกสามารถบอกได้ว่าชายยันทํำเพลงอะไรพรานใหญ่จ้องหน้าอันขาวเปื้อนของดารินแซงหันไปจับดูอากับกิยาของชายยันขณะที่ยังส่องกล้องอยู่เช่นนั้น เขาก็ฉเฉลียวคิดขึ้นมาในบัตรโดนพยายามเพ่งสายตาเปล่ามองตามแง่ทรายก็ก้าวเข้ามากระเทบไเปลกระซิบริมเนินด้านซ้ายตรงที่มองเห็นเหมือนโขดหินโผกในพงไม้นั่นเป้าหมายตำแหน่งนั้นเขาก็เห็นอยู่ก่อนแล้วเหมือนกันแต่ก็ผ่านความสนใจไปเสียเพราะเข้าใจว่าเป็นโขดหินบัตรนี้โดยกิยาท่าทีของนายจ้างทั้งสองรวมทั้งการส ก, กิดเตือนของแง่ทรายทําให้ต้องเพ่งพิจารณาอีกครั้ง ถามเบาๆโดยไม่เปลี่ยนสายตาว่าใช่มันหรือครับคุณชายยันชายยันแยกเคี้ยวหน้าเยเกหัวล้อ ด, ดังแห่แหแล้วทำตลกพูดเพียงพองคอเรียนเสียงเป็นแขกพูดไทยออกมาว่าอีนี้ใช่ไม่ชายก็ไม่รู้นะเหมือนช้างสิบตัวนอนเข่าแถวกันแต่ไม่มีตีนหัวก็ไม่เห็นหางก็ไม่เห็นโอ้ยเป็นลมดีกว่า ดาลินกะเข้ามาซัดหลังเพื่อนชายผู้มีอารมณ์คลึกอคลื่นอยู่ตลอดเวลาแม้ในนาทีคับขันที่สุดเสียงดังพลักแล้วก็ชักกล้องจากมือไปส่องดูอีกครั้งพูดมาเร็วปือ้อย่ามัวพลอยบ้าอยู่กับช ย, ยันเลยนายพรานจะทําอะไรก็ตัดสินเสียด้วยนี้เธอมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วกล่าวจบปล่อนก็ยัดเทียดกล้องให้เขาโดยเร็วพรานใหญ่สองสํารวจดูเพียงอึดใจเดียวก็ลดกล้องลงมันบ่ายหัวลงตีนเขาครับเราจะไปดักสกัดที่ช่องเขาลูกนี้ ถ้ามันเจตนาจะไปที่หมู่บ้านมันจะต้องผ่านทางนั้นตั้งรับมันที่นั่นอย่างแข่งกับเวลาทั้งห้าคนตัดทางด่านมุ่งหน้าไปทางช่องเขาอันเป็นตำแหน่งปากทางเชื่อมติดต่อกับป่าโปรง่งและชายเนินที่เห็นเจ้าสัตว์ดึกดำบันตัวนั้นบ่ายหัวลงมาโดยทันทีมันจริงตามที่แง่สายคำนวณไว้ฝนคงโปรโยเป็นละอองเบาๆอยู่เช่นนั้นไม่ได้หนาเม็ดไปกว่าเก่าและก็จริงตามพระพินคำนวณเหมือนกัน คือพายุยังพัดแรงตลบไปมาปรากฏเสียงอื้ออึงน่ากลัวไม่สามารถจะสำเนียกเสียงใดใดไ ด, ไ ด, ได้นอกจากเสียงป่าดั่นหือด้วยแรงลมอากาศที่เคยอบอ้าวกลายเป็นเย็นเฉียบไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกคนก็มาถึงที่ไม้และผพินสั่งให้เข้าแฝงตัวซุ่มอยู่ในหลืบชะง่อนหินที่งอกอยู่ระเกะระกะเป็นที่กำบังอย่างดีเบื้องหน้าเป็นด่านใหญ่ซึ่งเขาชี้บอกให้นายจ้างทั้งสองเข้าใจ หากเจ้างูยักษ์ตัวนั้นตั้งเข็มของมันไปยังหมู่บ้านมันจะต้องผ่านให้เห็นทางนี้คุณชายยานคุณหญิงและขยินสามคนซุ่มคุมเชิงอยู่ในซอกหินนี่แหละถ้าจําเป็นจะต้องยิงก็ให้ยิงออกมาจากที่กําบังนี่อย่าพละออกไปเป็นอันขาดตกลงว่าแต่คุณกับแง่ทรายเถอะชายยานถามอย่างง่ายๆทันต่อเหตุการณ์ผมจะพยายามฟังเสียงมันอยู่ที่นี่ก่อนถ้ารู้แน่ว่ามันใกล้เข้ามาก็จะย่องสวนเข้าไปหามันโดยไม่ให้มันรู้ตัว จนได้ระยะธานูอาจต้องอ้อมเข า, ขาทางด้านใดด้านหนึ่งของมันสุดละแต่เหตุการณ์เอาจะเอาอยัางไงก็เอากันแต่มาตกลงกันซิก่อนระหว่างที่คุณกับแง่ทรายแยกไปโดยพวกผมสามคนรออยู่ที่นี่ถ้าเห็นมันโผล่แล้วก็พวกผมซัดลนะระพินยิ้มให้ตบแขนอดีตนายทหารปืนใหญ่เบาๆเอาเลยครับถ้ามันเลื้อยผ่านไม้คุณชายยานเห็นโดยยังไม่ได้ยินเสียงระเบิดก็แปลว่าผมกับแง่ทรา ย, ายถูกมันกลืนเข้าไปแล้ว เป็นหน้าที่ของคุณชายยานกับคุณหญิงที่จะตัดสินใจแต่ขอให้จำที่ผมสั่งไว้ถ้าไม่พระไม่พระออกจากที่กำบงังมันจะทำอะไรไม่ได้เลยชายยานพยักหน้ารับคำกวาดสายตาสำรวจไป ร, บรอบๆเหมือนจะคำนวณทางนี้ที่ไรแล้วพินผู้กำลังส่งภาษาบอกความแก่ขยินรู้สึกว่ามีมือมาแตะที่หลังหันกลับไปก็พบกับดวงตาส่อแววกังวลลึกจับอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับเสียงกระซิบ แน่ใจหรือว่าในนาทีที่ขับขันที่สุดคุณจะไม่เกิดอาการจับสั่นขึ้นกระแสเสียงนั้นบอกถึงความเป็นห่วงชัดพลานใหญ่ยิ้มให้หรอนคงไม่หรอกครับเท่าที่ปรากฏมาผมไม่เคยเกิดอาการไข้ขึ้นในขณะที่ประสาทกำลังตึงเครียดอยู่ในงานสำคัญเฉพาะหน้าดาดินจ้องหน้าเขาอยู่เช่นนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นเกรงหวั่นวิตกที่ไม่สามารถจะเอ่อยออกมาเป็นคาพูดได้ นอกจากจะปรากฏโดยแววตาเท่านั้นแง่าสายกับขยินทิ้งกายลงนอนราบอาหูฟังกับพื้นเวลาผ่านไปท่ามกลางความอึดอัดกระสับกระส่ายของอีกสามคนที่รอรับสัญญาณรหัสจากหูอันชำนาญเป็นพิเศษซึ่งเป็นคุณลักษณะของลูกป่าโดยกำเนิดทั้งสองมันเลือเล้อยๆื้อยหยุดหยุดคล้ายจะอ้อมเนินไปทางซ้ายแง่าสายรายงานหูอย่างแน่พื้นอยู่เช่นนั้น แต่ข้าว่ามันกำลังตรงมาทางนี้ข้าได้ยินเสียงก้อนหินลั่นด้วยขยินกระซิบช่วยกันฟังให้แน่กะให้ถูกต้องแม่นยาที่สุดว่ามันห่างจากเราเท่าไหร่แล้วพินสั่งมาทั้งคู่นอนฟังเสียงต่อไปด้วยสีหน้าขมวดยุ่งสแสดงถึงความคลางแคลงไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างอีกอึดใจใหญ่ต่อมาขายินก็สั่นหัวขยินไม่ได้ยินเสียงมันอีกแง่ทรายเจ้าได้ยินอยู่อีกหรือเปล่า คนใช้ชาวดวงของดารินแสั่นหน้าช้าแล้วมองไปทางพลานใหญ่บอกแผวตําเสียงเคลื่อนตัวของมันเงียบไปแล้วผู้กองคอยจับต่อไปถ้าเงียบก็แปลว่ามันหยุดเลื้อยประเดี๋ยวก็คงเคลื่อนไหวอีกเอาให้แน่ใจที่สุดถ้ารู้แน่ว่ามันหยุดนานเพื่อพักซุ่มเราจะเข้าไปหามันเองเลื้อยอีกแล้วจริงของขยินมันกําลังตรงเข้ามาช้าๆเสียงแง่ทายร้องออกมาเบาๆอย่างตื่นเต้น ระพินภัยวันแยกเขี้ยวเพ่งสายตาออกไปยังด่านช้างอันกว้างใหญ่ที่คดเคี้ยวราวกับถนนไปในระหว่างป่าโคกขึ้นทึบไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยแฉมสลับก้อนหินถ้าสัญชาติยานพรานอันจัดเจนของเขาคํานวณไม่ผิดเจ้าสัตว์ยุคโลกล้านปีที่มีอายุยืนนานมาจนเกินกึ่งพุทธกาลตัวนั้นจะต้องอาศัยด่านช้างนี้เป็นทางมาอันแสนสะดวกได้ของมันมากกว่าจะเลื้อยผ่านมาในพงรกและเขากําหนดแผนไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่รอระยะเวลาให้มันคืบใกล้เข้ามากว่านี้อีกสัก 4- ีห้านาทีเท่านั้นซึ่งช่วงระยะเวลานี้จำเป็นจะต้องอาศัยหูเรดาร์ของแง่ทายกับขยินผู้ชำนาญฟังเสียงสัตว์กับพื้นดินอันเป็นสัญชาตญาณพงไพรดุจเดียวกับสัตว์ป่ามาแต่สายเลือดลำพังเขาแม้จะช่ำชองสักเพียงไรก็ตามลงป่าป่วนไปด้วยพายุเสียงอึ่งขนึงอยู่เช่นขณะนี้ขเขาก็ไม่มีทางจะจับรหัสอะไรได้นอกจากประสาทสัมผัสส่วนที่6กเท่านั้น ซึ่งบางขณะมันก็คลาดเคลื่อนมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเป็นลำดับและจริงอย่างที่เขาคิดมันอาศัยทางด่านช้างนั่นเองเคลื่อนตัวมาอย่างเงียบกลิบทั้งขยินและแง่าสายยืนยันตรงกันอึดใจนั่นเองแล้วพินก็ตบหลังแง่ท า, ายสกิดให้ลุกขึ้นแล้วชี้มือเตือนขยินโดยอาการป้ายให้เข้าไปหลบตัวกำบงังรวมกลุ่มกับชายยันและดาลินแง่ท า, ายคว้าคันธนูขึ้นมาถือกระชับ หยิบลูกในกระบอกที่คาดเอวไว้ขึ้นมาถือในมืออีกมือหนึ่งพรานใหญ่หันไปโบกมือกับนายจ้างทั้งสองอีกครั้งและโดยปราดจากคำพูดใดๆอีกเลยทั้งเขาและแง่สายก็เคลื่อนกลิบออกจากที่ตัดต่างช้างแยกหายเข้าไปในป่าด้านซ้ายมือทางด้านเชษฐาทันทีที่ฝ่ายของรพินพาการพร่เดินออกไปจากหมู่บ้านเขาก็ออกคาสั่งให้พรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหมด แยกย้ายกระจายกันออกลาดตะเวนรอบหมู่บ้านทุกด้านอย่างไม่ประมาทกําชับให้เตือนชาวบ้านทั้งหลายหลบอยู่แต่ในเฉพาะเรือนตนไม่ให้ใครออกมาเกะ ก, กะแล้วเรียกบุญคำพรานอาวุโสให้ขึ้นมาคอยเป็นเพื่อนเฝ้าจมุอยู่กับนางอว้วตัวเองคว้าไรเฟิลจุด4 5หดคู่มือพร้อมกระสุนทั้งกล่องขยเคยกลงจากเรือนยึดได้ก่อรั่ว ก, ก่อหนึ่งเป็นที่มัน ทางด้านหลังของเรือนที่สร้างใหม่ห่างจากคอค อ, อกวัวขนาดใหญ่ของขยินออกมาเล็กน้อยนั่งสูบบุรีบนครกตําข้าวเอาปืนผ้าตักนายเมย์หัวหน้าลูกหาผู้ได้รับคําสั่งให้เฝ้าอยู่ทางหน้าบ้านเหลือบมาเห็นก็แบกปืนเข้ามาสมทบเป็นเพื่อนอยู่ด้วยแล้วฝนก็ปลิวว่อนเป็นละอองปกคลุมไปตลอดทั้งหมู่บ้านพายุอันเย็นเฉียบโยนป่ารอบด้านให้ไหวสะท้านลู่ละเนนส่งเสียงอยู่อื้ออึงเสียงกิ่งไม้หักลั่นโพงผาง และคนไปกับเสียงฟ้าคำรามอยู่ไม่ขาดระยะอากาศอันเคยสว่างแจ่มใสมืดมัวลงอย่างรวดเร็วจะเป็นด้วยยานสังหรนหรืออะไรก็ไม่สามารถจะบอกได้ถูกราชสกุลหนุ่มรู้สึกตะขันตะครอยอย่างไรพิกลประสาททุกส่วนตื่นพร้อมตาอันคมไวกว่าสำรวจไปยังทิศ ท, ทางรอบด้านเท่าที่จะมองเห็นได้นายเมยแง้มองขึ้นไปยังยอดไม้ชายป่าซึ่งอยู่ไม่ห่างออกไปนัก ซึ่งบัดนี้แหลเห็นละอองฝนพลิ้วผ่านเป็นหมอกขาวหมัวฝนกําลังจะตกผมว่านายใหญ่ขึ้นไปบนเรือนดีกว่าราชสกุลหนุ่มยิ้มให้หัวหน้าลูกหาบไม่เป็นไรหรอกชิ้นคิดว่าฉันควรจะอยู่ตรงนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็จนกว่าพวกผานใหญ่กับพวกนั้นจะกลับมาอยู่บนเรือนมองเห็นอะไรไม่ได้ถนัดพวกเราเหลืออยู่ในหมู่บ้านนี้สิบสคนเท่านั้นเขตหมู่บ้านทั้งหมดมันก็กว้างไม่ใช่น้อยเราต้องการยามช่วยกันกระจายเฝ้าไว้ทุกด้าน ป่ามันร้อมรอบเราไปหมดเราไม่รู้แน่ว่ามันจะโผล่ออกมาทางด้านไหนมันต้องปะทักกับพรานใหญ่และแง่ทายเ ส, สียก่อนก่อนที่มันจะเข้ามาถึงที่นี่เราพอจะรู้ตัวหัวหน้าคณะสันสีสรรตะตวัดเสื้อฝนที่เตรียมมาด้วยขึ้นคุมตัวหลุก ป, ปีกบวกลงมาพางก้มลงตรวจปืนเพื่อความแน่ใจอีกครั้งเราประมาทหรือวางใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นพรานใหญ่กับพวกนั้นอาจไม่พบกันก่อนหน้าที่มันจะแอบเข้ามาถึงที่นี่ก็ได้ แต่ขาของนายใหญ่ยังเดินไม่ถนัดนักนายมือพูดมาเบาๆมองดูเขาอย่างหวังดีและเขารบเรื่อมใสแต่ฉันก็พอจะยิงปืนได้แล้วถ้าจําเป็นขอบใจมากที่เป็นห่วงเอาละนายมือจะอยู่เป็นเพื่อนฉันที่นี่ก็ได้ความเงียบปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านคงได้ยินแต่เสียงพา ย, ยุที่ครางฮือและต้นไม้ใหญ่น้อยไหวรู้ระเนรลมเท่านั้นหมาตัวหนึ่งที่แอบนอนหาง ห, งหดอยู่บนตักแฝกซึ่งกองอยู่ใต้ถุนเดือนปลูกใหม่ ส่งเสียงร้องขึ้นยืดง่าดตัวสั่นเทิมทันทีนั้นมันก็ลุกพรวดพลาดขึ้นวิ่งหางจุกก้นผุดออกจากใต้ทุนเลือนหัวซุกหัวซูนไปทางกลุ่มเรือนกระเลียงที่ปลูกเรียงรายอยู่เป็นแนวห่างออกไปทางด้านขวามือวัวใน ข, อ ข, อข้อของขยินมีอาการแตกตื่นร้องมูมอเบียดเสียดชนกันอยู่อย่างริมข้อด้านหนึ่งมีอาการเหมือนจะแหกข้อออกมาให้ได้รวมทั้งควายเทียมเกวียนที่ล่ามไวร้รอบๆเรือนพากันสะบัดดึงเชือกเต้นกระสับกระสายอยู่ไปมา นายเมย์หันมามองตาเขาเลิกลากเชษฐากัดริมฝีปากเบาๆยันกายลุกขึ้นในทันทีนั้นขยเเยกออกจากที่เดิมอ้อมก่อรวกมาซุดคุกเข่าอยู่ยังอีกด้านหนึ่งหน้าหันออกไปทางเนินเขาหลังอคอกวัวพุ่งสายตาไปยังหมู่ไม้ทึบที่อ่อนร่วโอนเอ็นไปมาด้วยกระแสลมแรงหัวหน้ารูขหาบตามติดเข้ามาด้วยโดยไม่ได้เอ่ยคำใดทั้งสิ้นอึดใจเดียวกันนั่นเองสิ่งมหัศจรรย์พันลึกก็พันปรากฏในครองจักษุ ข, ของเชษฐา สาบให้อดีตนายพันธโททูตทหารบกเชื้อพระวง์กลายเป็นอมภาพาดไปชั่ววิปตาระหว่างลำต้นยางใหญ่สองต้นที่ยืนเคียงกันอยู่ริมเนินเงาของอะไรชนิดหนึ่งโผล่วูบขึ้นมาอย่างขระทันหันท่ามกลางอากาศที่ปกคลุมไปด้วยละอองฝนเช่นนี้แลเห็นดำทมึนราวกับเงาปีศาจที่เกิดขึ้นจากภาพรวงตาภาพนั้นผุดเด่นขึ้นเหนือหมู่ไม้เตี้ย ลำตัวลักษณะเป็นท่อนยาวนั้นใหญ่โตวกว่าต้นยางมากมายนักมันจะมีขนาดสักปานไหนเชษฐาก็ไม่อาจบอกได้ในความตะลึงงานตัวแข็งของเขายามนี้เห็นแต่เพียงดวงตาใหญ่โปนทั้งคู่ราวกับจะเอาตุ่มมังกรเข้าไปฝังไว้ทั้งลูกลิ้นสองแฉกเท่าใบพายพุ่งออกมาแปลปราบเป็นจังหวะราวกับฟ้าแลบนายมอือยืนอยู่ข้างๆเขาในขณะนี้หยุดลมหายใจไปเสร็แล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่ง เวลามันจะผ่านไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้โดยความรู้สึกที่เหมือนกับถูกสะกดนี้เชษฐามาได้สติก็ต่อเมื่อเงาประดุดพยารางเงานั้นค่อยๆเอนต่ำลงมาอย่างเงียบกลิบขยายรำยืดยาวออกมาราวกับจะไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งส่วนหัวของมันข้ามพงไม้และแตะ ก, กับพื้นที่โร่งพ้นเขตแนวป่ามาห่างจากที่เขาและนายเมือซุ่มหลบอยู่ไม่เกินห้าสิบหลาและบัดนี้ กำลังเอ็นหัวบ่ายหน้าไปทางคอกวัวอย่างแช่มช้าโดยมีอีกส่วนหนึ่งของลำตัวถูดบกบางอยู่ในพงทึบด้านหลังอย่างแทบไม่รู้สึกในการเคลื่อนไหวของตนเองเลยผ่านท้ายของจุด458แมดมกนัมแอฟริกันก็ขึ้นมาประทับอยู่กับปลายในเซี้ยวของมินาทีต่อมาศูนย์แตะเข้าไปที่ตาข้างซ้ายอันใหญ่ปานตุ่มนั้นแล้วนิ้วอันแข็งทื่อเป็นเน็บชาไปหมดก็กระดิกช่วงระยะรังไฟ น, นี้ มันช่างนานแสนนานเหมือนร้อยปีก็ไม่ปานสำหรับความรู้สึกของเชษฐาราวกับว่าไกลมันไม่ยอมลั่นฉนั้นครั้นแล้วมันก็ระเบิดตูมกึกกล้องออกไปสถานสะเทือนด้วยพลังใจอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงของคนยิงซึ่งพยายามต่อต้านกับอำนาจวิบลับที่เข้ามาสะกดอยู่ในขณะนี้ทันทีที่หัวกระสุนชนิด500เกรนผ่านทลกล้องออกไปเชษฐาซึ่งหลักไม่ดีอยู่ก่อนแล้ว ผงะหลังลงกับพื้นติดตามมาด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับว่าโลกเบื้องหน้าของเขากําลังจะถล่มทลายลงมีเสียงฟู่ขึ้นราวกับหัวรถจับพ่นไอน้ำออกมาจากนั้นป่าเบื้องหน้าก็แตกครืนโครมกบเสียงพายุฝนในขณะนี้โดยสิ้นเชิงเสียงต้นไม้หักสนานอันเกิดจากการตวัดตัวของมันต้นรังที่เคลื่อนไหวได้เบื้องหน้าม้วนตกลงเป็นก้อนเข้ามาแลดูเป็นหนึ่งภูเขาแล้วมันก็สะบัดกวาดแหว่งออาไ ป, ไปประทัก ข, ข้อหัวพังถล่มลงในพริบตา กฏเสียงดังโครมคลมือนถูกแกแทรเหมือนถูกแท็กเตอร์ยักษ์วิ่งเข้าชนหางบางส่วนวาดเข้ามากระทบกอรูดที่เขากำลังอยู่แทบจะแหลกลานลงทั้งกอนายเมยหงายหลังลงทั้งยืนล้มวิ่งอยู่เคียงข้างเขาเชษฐาปิกกับนอนความอย่างรวดเร็วกระชากกระสุนเก่าออกทิ้งส่งนัดใหม่ขึ้นรำกล้องเร็วที่สุดแล้วก็ระเบิดกระสุนซ้ําออกไปในท่าที่นอนอยู่นั้นโดยไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่จะหายใจ มหมายของขาวที่พลิกตรบให้เห็นอยู่รูปวาบจังหวะนี้เขาไม่มีโอกาสจะเร็งเสียแล้วเป้าหมายมันใหญ่โตเสียจนไม่รู้จะเลือกเร็งส่วนไหนได้นอกจากจะให้ลูกปืนทะลวงผ่านลําตัวมันเข้าไปเท่านั้นพร้อมกับเสียงกำปนาดของนัดที่สองเหมือนกับเพิ่มริดร้ายให้แก่จังงูมหายักษ์ตัวนั้นขึ้นอีกมันสะบัดดิ้นสุดแรงเกิดฟาดโปรงไม้และแผ่นดินเหมือนพายุทอร์นาโดปากอันใหญ่โตอ้ากว้างและเห็นแดงชาบเลือดทะลักฟูมเต็มหัว ไม่มีปัญหานัดแรกของเขาเจาะในตาซ้ายของมันอย่างถนัดถนิ่ที่สุดหมุนคว้างสายร่าอยู่ไปมาส่งเสียงคู่สนานราวกับผัวรถจักไอ้น้ำอยู่เช่นนั้นท่อนหางวาดขึ้นไปรัดพันกับต้นยางไว้ท่อนกลางของลำตัวโกงงโค้งเป็นวงขึ้นไปในอากาศสูงกว่ายอดตะแบกแล้วก็ฟาดลงมาแตะดินอีกครั้งกระทบยอดตะแบกหักครืนแหลกยับลงมาทั้งกิ่งอย่างน่ากลัว บุญคำกระโจนตัวลอยลงมาจากเกลือนอันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เกิดเสยจานและพวกลูกหาบที่ลาดตะเวนอยู่ทางด้านอื่นๆวิ่งพรู ก, กันเข้ามาอย่างอกสั่นขวญแขวนเชษฐากระชากลุกเลื่อนอีกครั้งตะโกนสุดเสียงช่วยกันยิงเร็วอึจใจตรอมา น, นั่นเองเสียงไร้เส้นจ ร, รดมกันแผดขึ้นเอ็ดอึนสนันวันไหวกบเสียงอื่นใดหมดทั้งสิน้นพวกนั้นยิงออกมาจากทิศทางด้านต่างๆสุดแล้วแต่ใครจะมองเห็นส่วนใดของมันเจ้าสัตว์ดึกตะบันหมุนตัวหลบ พยายามจะเอาหัวถไลายราบไปกับพื้นประจากทางด้านข้อวัวของขยินซึ่งบาดนี้ฝูงวัวกระโจนแห่ข้อวิ่งกระจัดกระจายออกไปหมดจะบ่ายหน้าพระเลื้อยไปทางด้านตะวันออกของหมู่บ้านซึ่งเป็นทางเกวียนตายขึ้นมาท่ามกลางเสียงร้องตะโกนเอ็ดไม่เป็นภาษาของพวกพลานและลูกหากที่วิ่งวุ่นกันอยู่ในขณะนี้แล้วคนไปกับเสียงปืนถี่ยิบไม่เป็นจังหวะทุกนัด ที่คนเหล่านั้นช่วยกันระดมศาสตร์กันนำเข้าไปไม่มีการผิดเป้าหมายเลยมันเจาะทะลวงเข้าไปลําตัวอันใหญ่ตโตมโหฬารยาวเหยียดตามส่วนต่างๆนั้นจนเห็นเลือดทลักออกมาโซมนายมือเป็นคนสุดท้ายที่เพิ่งจะรู้สึกตัวได้สติพระออกวิ่งหนีพรางยิงพลางอย่างกระเจดิดกระเจิงส่วนเชษฐาคงหมอบประทับปืนอยู่ที่เก่าบุญคําวิ่งปาดตรงเข้ามาหิ้วปีกขาพร้อมกับเกิดช่วยกันล่างเอาไม้ห่างรัศมีการวาดแหว่งตัวของมัน เหตุการณ์มันเต็มไปด้วยความชุลมือตื่นตระหนกเหลือที่จะกล่าวได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันช่วยกันยิงเข้าไปที่หัวของมันหัวหน้าคณะร้องลั่นสั่งการสะบัดบุญคำกับเกิดให้หางตัวออกไปแล้วยกปืนขึ้นอีกครั้งอย่างไม่คํานึงถึงชีวิตทั้งทั้งที่ขายังขย ե อยู่พอจังหวะที่มูยักษ์มอรำตัวส่วนกลางขึ้นอีกครั้งเขาก็เล็งไปยังตําแหน่งอันควรจะเป็นที่ตั้งของกระดูกกลางแล้วเหนียวไก่ดั่นเปรี้ยงออกไปอย่างดุเดือดภาพที่เห็น เจ้าอระสูนปาดจากตีนตนนั้นทิ้งลำตัวที่ค่อนไปทางด้านหาฝงฟาดลงมากับพื้นจนแผ่นดินสะเทือนกระสูนจุดหกระทบกระดูกลำตัวของมันอย่างถนัดถนีเป็นนัดแรกผิดจากนัดอื่นๆที่เพียงแต่ผ่านกล้ามเนื้อเข้าไปร่างกายท่อนหางอันเป็นบริเวณประมาณหนึ่งในสี่ของความยาวทั้งหมดกลายเป็นอมพาตแข็งทื่อไปในทันทีไม่สามารถที่จะโบกสะบัดฟัดฟาดได้ ยกเว้นแต่ท่อนบนส่วนใหญ่เท่านั้นที่ยังติดไปด้วยพลังและฤทธิ์อำนาจมหาศาลซึ่งเพิ่มขึ้นด้วยแรงเจ็บปวดโกรธแค้นของมันเป็นทวีคูณแต่ก็ฉลาดพอที่จะไม่ชูหัวขึ้นมาให้เป็นเป้าถนัดนอกจากจะส่ายเลื้อยไปมาอย่างรวดเร็วเลียดกับพื้นพุ่งเข้าไล่พวกพรานสุดแล้วแต่จะเห็นใครใกล้พร้อมทั้งอ้าปากกว้างราวกับถ้าพวกนั้นเพ่นกันกระจัดกระจายจ้าละวันไม่เป็นสัา มันเป็นความชุนลมุนเหลือที่จะกล่าวท่ามกลางพายุฝนที่ครอบคลุมอยู่ในขณะนี้จันทร์กับเซอร์อยู่ในทิศทางที่ใกล้กับส่วนหัวของมันมากที่สุดทั้งสองกระหันหลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตพญางูผู้กําลังเกลี้ยกราอ ด, ดุร้ายเพราะความเจ็บปวดตลอดทั้งตัวอาบแดงฉานไปด้วยเลือดเสือกตัวปราดเขาโลดไล่ลักษณะไม่ผิดอะไรกับงูกินปลาที่เลื้อยไล่ลูกเขียดน้อยการเคลื่อนไหวของมันดูผัดผ่าดว่าไม่สู้จะว่องไวรวดเร็วนักก็จริง แต่อันเนื่องมาจากความใหญ่โตมโหฬารเพียงขนาดช้าๆของมันก็บุดหวิดจะเข้าถึงตัวมนุษย์กระเจ้าร่อยที่วิ่งกระเจิง ก, กันอย่างสุดชีวิตในการเสือกตัวแต่ละครั้งระหว่างนี้ใครต่อใครที่มองเห็นเหตุการณ์อยู่กับพากันร้องเสียงหลงตื่นตนกจังงันกันไปหมดแม้กระทั่งเชิฐาเองเขาใจหายว่าบคิดว่าไม่คนใดคนหนึ่งก็จะต้องพลัดเข้าไปในปากมัจุราชที่งับไล่มาอย่างมุ่งร้ายหมายขวัญ ภายในทริปตาข้างหน้านี้เป็นแน่ครั้นแล้วจันก็วิ่งสะดุดขาตนเองล้มกลิ้งไม่เป็นท่าห่างจากเบื้องหน้าของมันเพียงสิบลาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าอสูรยุคโลกล้านปีขมวดงอตัวโกงสูงขึ้นตาข้างหนึ่งฟูมไปด้วยเลือดซึ่งไหลยอยู่พรากๆด้วยลูกปืนของเชษฐาอีกข้างหนึ่งลุกจ้าราวกับดวงไฟแลบลิ้นเป็นแฉกแปลกปราบเตรียมที่จะพุ่งหัวอันชูร่าขึ้นหมายฉกเหยื่อหนึ่งใน10บของวินาทีดับจิตนี้เอง สติสัมปชัญญะกลับคืนมาสู่เช่ถาอีกครั้งเขาฟาดไราเฟิลเข้าหาดหาดวงตาข้างที่ยิงไว้แต่แรกซึ่งเป็นด้านที่เห็นถนัดนั้นแต่ก่อนหน้าที่กระสุนซึ่งบรรจุอยู่ในสองนัดสุดท้ายของชุดนั้นจะระเบิดออกไปเพียงวิบตาเดียวจุด375เจห้าในมือของพลานท่าบุญคำก็สนันตูมขึ้นเสียก่อนอย่างทันต่อเหตุการณ์ส่วนของเขาปะทุขึ้นพร้อมกับปืนในมือเกิดแล้วจากนั้น กระแท่ระ ง, งมประสานกันขึ้นอีกหรายนัดจากทั้งไทอีกหรายคนซึ่งล้วนเคยชินต่อเหตุการ์ับขันมาดีแล้วจนสามารถร่วมทีมกันได้อย่างกลมเกลียวอำนาจไปท่อของไรเฟิ่แรงสูงขนาดต่างๆการไม่ต่ำกว่า10บนัดที่พุ่งเข้าหาเป้าหมายรวมจุดในเวลาเกือบจะพร้อมกันวินาทีมรณะของจันให้ห่างไกลออกไปได้อย่างบุดหวิดมันอ้ากรงเคี้ยวแหลเห็นโค้งแหลมคมราวกับใบหอกงับตรงมายัางเป้าหมายแล้ว แต่แรงประทะของกระสุนหมู่ที่รุมซันโบเข้ามาตั้งแต่ลาคอขึ้นไปจนกระทั่งด้านข้างของหัวอันใหญ่โตผลักมานเิเฉห่างทิศทางออกไปประมาณสองวาเศษประกอบกับที่จันผู้ไม่ได้เสียสติในการเอาชีวิตรอดพลิกกลิ้งสะบัดตัวเองออกไปทางด้านขวาสุดแรงเกิด3ามสี่ทอดปากของเจ้า ง, งูยากจึงงับเอาดินกลางพื้นกระจุยขึ้นเหมือนไถด้วยรถขุดส่วนหัวของมันก็ซบนิ่งอยู่กับที่ตรงนั้นไปชั่วขณะหนึ่งในลักษณะถูกนอก ซ้ำเร็วเชษฐามีเสียงอยุ่วคราวอลวงการออกไปจนหมดบรรจุกระสุนชุดใหม่ของเขาอย่างลุกลี้ลุกลนรีบด่วนที่สุดบุญคำเกิดีท่วิ่งแจ้นอยู่หันกลับมาแล้วทั้ง3ามผ่านก็กดเข้าให้อีกคนละตูมท่ามกลางความรีบร้อนฉุกระหุกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันจะกระทบกับส่วนไหนบ้างในขณะนี้ไม่มีใครทำนายได้ถูกแ ต, แต่แล้วขณะที่เชษฐาบรรจุกระสุนครบชส่งขึ้นลำและยกขึ้นไปที่ลกาาลก า, างตัวของมันนั่นเอง ใครคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาประทักเขาโดยแรงพร้อมกับเสียงหลงนายหลบเร็วหางมันวาดมาแล้วเขาเซเสียหลักไม่ทันจะปล่อยกระสุนนัดนั้นแล้วก็เห็นว่าผู้ที่วิ่งเข้ามาชนพร้อมกับคว้าแขนไว้ฉุดให้พระวิ่งออกก็คือบุญคํานั่นเองพอเหลือดไปเบื้องหลังเลือดในกายก็แทบจะเป็นก้อนแข็งส่วนหัวของมันสงบนิ่งไปก็จริงแต่บัดนี้ส่วนลำตัวอันยาวเหยียดกําลังค่อยๆวาดตรบเข้ามา แลดูไม่ผิดอะไรกับกำแพงเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาทุกขณะนั่นจะเป็นเพราะประสาทบังคับด้วยความเจ็บปวดหรือว่าเจตนาขยี้สังหารสตูของมันอย่างใดก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือถ้าออกไม่พ้นวงที่มันกําลังวาดเข้ามานี้ได้ทันเดีย๋ยวว่าแต่มนุษย์ตัวก็เจ๊ยไร่เลยต่อให้รถยนต์ทั้งคันก็มีหวังถูกบดแลกไปด้วยน้ําหนักกําตัวอันมหาศาลนั้นหลายคนที่จําไม่ได้ว่าเป็นใครบ้างส่งเสียงร้องบอกกันลั่น แล้วก็ห่อแนบหัวซุกหัวซุนเพื่อนำตัวออกให้พ้นวงเชือกยักษ์ที่กำลังขงมวดเข้ามานั้นชนิดตัวใครตัวมันเชษถาก็ทิ้งไรเฟื่ในทันทีนั้นแขนข้างหนึ่งคล้องขอบุญคำไว้อีกขาที่ยังดีอยู่วิ่งแบบขย e งเก่งก่อยซึ่งในเวลาปกติก็แทบไม่เชื่อตัวเองมาก่อนว่าจะวิ่งได้เร็วถึงเพียงนี้บุญคาก็ดีเหลือใจทาหน้าที่แทนรพินได้เป็นอย่างดีไม่เคยจะคิดทิ้งเขาเอาตัวรอด ทั้งเชี่ยฐาและบุญคำพากันวิ่งกระเจิดกระเจิงสวนออกมาพ้นขมดหางของมันได้ชนิดที่ปลายสุดของด้านหางขนาดลําตาล น, นั้นหางตัวไปเพียงวาเดียวโชคดีที่เขายิงสวนหางของมันกระโดกหักไว้ก่อนแล้วมิฉะนั้นมันจะคล่องแคล่วรวดเร็วกว่านั้นและจะไม่มีใครที่อยู่ในวงดักหลุดลอดออกไปได้เลยสักคนเดียวนอกจากถูกรัดหรือมิฉนั้นก็บทขยี้แหลกหรือไปหมดพ้าจับกลุ่มคนที่พากันวิ่งออกพ้นรัศมี เจ้าเชือกยักโบงนั้นก็กวาดติดเรือนกระเลียงเข้าหลังหนึ่งปรากฏเสียงเสาลั่นแล้วก็หักครืนดังสนัน่นเรือนส่งสูงโค้นโครมลงมาราวกับเกิดแผ่นดินไหวท่ามกลางเสียงร้องของคนที่หลบซ่อนอยู่บนเรือนหลังนั้นมันเทกระจัดเอา3าสี่ชีวิตซึ่งมีทั้งหญิงชายและลูกเด็กเล็กแดงลงมากลิ้งกระจัดกระจายอยู่กับพื้นใครจะคอหักหรือหัวร้างข้างแตกไปบ้างขณะ น, นี้ยังสํารวจไม่ได้เห็นแต่เพียงสองคนร้องโวยวายออกมาไม่เป็นภาษา แล้วก็ออกวิ่งกระเจิงไปอย่างไม่รู้ทิศทางเชื้ทากัดกรามแน่นกระชากจุดสีสีแมกนัมทีต่ติดเอวขึ้นมามันเป็นอาวุธชนิดเดียวที่เขายังเหลืออยู่แล้วเขาก็สู้อย่างไว้รายของยอดนับเผชิญภัยแม้ว่าจะมองไม่เห็นทางแห่งความหวังสู้อย่างนักสู้เลือดข้นผู้ไม่คํานึงถึงชีวิตปืนสั้นในมือของเขาแผดระเบิดกึกกล้องออกไปตามมีตามเกิดเป้าหมายที่จะกระยิงแม้จะเป็นส่วนของลําตัวที่อารวาดอยู่นั้นก็ฝากความหวังไว้ว่า กระสุนมันควรจะเจาะเข้าไปกระทบส่วนกระดูกบ้างเป็นการตัดกำลังมหาศารของมันออกไปเท่าที่จะทำได้บุญคำไม่ฟังเสียงคงกระช่าแขนหิ้วปีกเขาพาวิ่งออกให้ห่างรัศมีอันตรายอยู่เช่นนั้นทางด้านอื่นใครจะเป็นอย่างไรเขามองไม่เห็นถนัดท่ามกลางขาองเชือกมหึมาที่เข้ามาขมวดม้วนปัดไปมาอยู่เต็มหมู่บ้านบทบางทุกสิ่งทุกอย่างหมดสิน้นราวกับลาหูเข้ามาอารวาส ระยะนี้ได้ยินแต่เสียงร้องโวยวายไม่เป็นภาษาแท้ซําเสียงปืนคงระเบิดไม่เป็นจังหวะอยู่เช่นนั้นจากทิศทางด้านต่างๆแต่ก็ห่างออกไปมากพวกนั้นคงจะเสียเวลาวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดบ้างเพื่อบรรจุ ก, กระสุนชุดใหม่บ้างบุญคําเองบัดนี้ไรเฟิลประจํามือก็ไม่รู้ตกหายไปเสียข้างไหนขณะที่แบกเขาพาวิ่งหนีและโดยทิศทางด้านที่วิ่งกระเจิงกันออกมานี้เขาไม่สามารถจะมองเห็นส่วนหัวของมันเสร็จแล้ว รู้สึกว่ามันจะม้วนซ่อนหลบเข้าไปโดยเอาลำตัวอันกองผนินเินทึกเป็นกำบังเสียงขู่ฟู่ฟ้ายังคงดังอยู่เป็นระยะแต่ละครั้งที่มันพ่นลมขู่ออกมาแทบจะทำให้ทุกคนขาดใจตายไปด้วยความถนกอกสัน่ขนขณะนั้นนายมือก็ถือไรเฟิลที่รับแจกประจำมือซึ่งยิงออกไปน้อยนัดที่สุดเพราะขี่ขึ้นไปอยู่บนหัวสมองวิ่งหน้าตาไม่เป็นผู้เป็นคนผ่านมาบุญคากะโดดเข้าล็อกคอไว้แย่งปืนมา ไอ้เมยเองไปวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดเอาชีวิตรอดไว้ก่อนแต่ผ่านเท่าตวาดสุดเสียงเตะปาบก็ให้ที่ก้นของหัวหน้าลูกหาเป็นการส่งท้ายนายเมย์ก็ห่อแนบตามพวกลูกหาไปทางท้ายบ้านบุญคํากระชากรุกเลื่อนสลัดปอกเก่าที่ยังคาค้างอยู่ออกทิ้งยัดใหม่เข้าไปในรังเพลิงแล้ววิ่งปีร่ายหลังตามส่วนหางของมันที่กําลังค่อยๆลากเข้าไปรวมกลุ่มเพื่อจะหาจุดหมายสําคัญในการเปิดกระสุนเชษฐาก็ตะโกนเสียงหลงตามเข้าไป อย่าเข้าไปใกล้บุญคำกะยิงกลมลำตัวให้ถูกกระสุนเอาให้ถูกกระดูกบุญคำจี้ลำกล้องขนาดจุด3 0มเข้าไปที่ลำตัวอันมีสันสูงท่วมหัวแล้วก็นำเข้าไปในระยะเผาขน้นจนกระทั่งหมดชุดนัดซึ่งมีเหลือติดอยู่เพียงอีกสามนัดดูมันไม่ได้ไหวสเทินแม้แต่นิดเดียวสำหรับเม็ดตะกั่วขนาด200เกรนที่จะผ่านเข้าไปตรงกันข้ามกับขยายวงอันยาวเหยียดปาดวาดออก ทำท่าจะกวาดเอาอตาผ่านเท่าเข้ามาไว้ในวงรัศบุญคำก็นกรู้และว่องไวเกินตัวสมที่เป็นกลางมันชั่วชีวิตกระโดดหลบถอยห่างออกมาได้โกยอ้าวกับผสมทบกับเชิฐาซึ่งขณะนี้กระโดดเข้ายึดต้นเสลียงใหญ่ขนาดห้าคนโอบมันไม่สะเทือนเลยนายปืนเราทําอะไรมันไม่ได้เสียงบุญคำร้องออกมาเหมือนสำลักหน้าซีดเปือดเชิฐากัดริมฝีปากแน่นเขาเองในขณะนี้ก็ตกอยู่ในสภาพไม่ผิดอะไรกับบุญคำและทุกคน อนุภาพของไรเฟิลแม้จะเรียกได้ว่าขนาดหนักที่สุดสำหรับสัตว์ในแผ่นพิภพโลกนี้เท่าที่มนุษย์จะประดิษฐ์ออกมาและทั้งที่จับเป้าหมายอันเป็นส่วนสำคัญที่สุดคือบริเวณหัวตลอดจนกระทั่งลูกในตาของมันก็ยังมองไม่เห็นทางเลยว่าไอ้มหายักษ์จะหมดฤทธิดเดชลงอย่างที่หวังไว้ไม่มีปัญหาถ้ามันชูคอขึ้นมาได้อีกครั้งก็แปลว่าหมู่บ้านหล่มช้างทลายหมดทั้งหมู่บ้าน อึดใจเต็มๆที่หัวหน้าคณะเดินทางยืนงานทำอะไรไม่ถูกทุกคนที่กระจัดกระจายกันอยู่ทางด้านต่างๆก็คงจะเช่นเดียวกันเพราะบัดนี้พากันเงียบเสียงปืนไปชั่วขณะราวกับจะนัดกันไว้เวลาแห่งการคาดคะเนอนาคตไม่ถูกนี้ผ่านไปอีกครู่ใหญ่พญางูตัวนั้นก็ยังหลบหัวซ่อนนิ่งคงมีตอนปลายของลาตัวเขานั้นที่เคลื่อนไหวไปมายั่งแช่มช้าเชื้ฐาเริ่มมีสีหน้าดีขึ้น ตาที่จับจ้องไปอย่างร่ามหืมมาโดยไม่กัะพิบนั้นเป็นประกายไปด้วยความหวังทำใจดีๆไว้บุญคำขอร้องออกมาเบาๆอย่างตื่นเต้นมือกำแน่นลูกปืนของพวกเราจะต้องได้ผลบ้างแน่นอนไม่งั้นมันไม่ซึมนิ่งไปอย่างนี้หรอกเฉยไว้คอยดูมันให้ดีจริงของนายมันนอนเฉยไปแล้ววาดแต่หางช้าๆเท่านั้นบุญคาอุทานเสียงสัน่น